จงตัดป่าพระพุทธภาษิตวนังสินทธตมารุก ข, ขังวนณโตชายเตพยังเฉตวาวนังวัณทันจะนิพพนาโหถพิขโวยาวันหิวัณโถณจติตติอนุมัโตปินรัสนาริสุปฏิพัธมโนวตาวโส วัฏโธคี ร, ประปโกะมาตริแปลว่าท่านทั้งหลายจงตัดป่าวงเล็บคือกิเลสแต่อย่าตัดต้นไม้วงเล็บคื อ, คอต้นไม้จริงๆเพราะภัยย่อมเกิดแต่ป่าเมื่อตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจงเป็นผู้ออกจากป่าคือกิเลสหมู่ไม้ที่อยู่ในป่าแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอันบุคคลยังตัดไม่ขาด ในนารีทั้งหลายเพียงใดเขาย่อมเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดืม่มนมมีใจผูกพันในบานดาอยู่เพียงนั้นท่านอธิบายความว่าคาว่าป่าในที่นี้หมายเอากิเลสดุจป่ามีราคะเป็นต้นไม่ได้หมายถึงป่าธรรมดาส่วนคำว่าต้นไม้นั้นท่านหมายเอาต้นไม้ธรรมดาพระองค์เกรงภิกษุ ผู้มาใหม่เที่ยวตัดต้นไม้จึงตัดขยายความห้ามไว้ในที่นี้ว่าอย่าตัดต้นไม้อันว่าภัยทั้งหลายมีภัยจากเสือหมีและสัตว์ร้ายอื่นๆย่อมเกิดจากป่าธรรมดาฉันใด น, นี่ไพรมีชาติติภัยชราไพรพญาทิภัยและมรณะไพรย่ยอมเกิดจากป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้นฉันนั้นต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าป่าหมู่ไม้เล็กๆชื่อว่าหมู่ไม้อันเกิดขึ้นในป่า กิเลสใหญ่ๆมีราคะโทสะและโมห oh ะอวิชชาเป็นต้นชื่อว่ากิเลสดุดป่าส่วนกิเลสเล็กๆที่เกิดตามกิเลสใหญ่ๆมาชื่อว่ากิเลสดุดหมูไม้ในป่าอันหนึ่งกิเลส ท, ที่คร่าไปสู่ภพชื่อว่ากิเลสดุดป่ากิเลส ท, ที่ให้ผลในปัจจุบันเล็กๆน้อยๆชื่อว่ากิเลสดุดหมูไม้ในป่าเช่นความริษยาอันอยู่ในใจเป็นเหตุเผาใจตนเองในปัจจุบัน เมื่อตัดป่าคือกิเลส ใ, ใหญ่และหมู่ไม้ในป่าคือกิเลสปรีกย่อยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าออกจากป่าคือกิเลสได้อันหนึ่งทรงแสดงว่ากิเลสอันเป็นดุดหมู่ไม้ในป่าเช่นความรักอะไรในสตรีมแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ทําบุคคลผู้นั้นให้ไม่เป็นเสรีชนต้องผูกพันอยู่กับสตรีเหมือนลูกวัวที่ยังไม่ทิ้งนมแม่ต้องติดแม่อยู่ตลอดเวลาห่างไม่ได้ ความเสน e หาในสตรีนั้นมีอานุภาพในการผูกมัดนราชนให้ติดอยู่สยบอยู่มีอนุภาพบังคับไม่คนทำชั่วได้เพราะความเสน e หาอะไรในสตรีนั้นเมื่อยังตัดอะไรในสตรีไม่ได้ก็เป็นการยากที่จะพ้นจากทุกเพราะนี่เป็นเพียงกิเลสห ย, ยาบกิเลสของสัตว์โลกทั่วไปทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงเมื่อละกามได้แล้วยังต้องไปเจอปัญหาเรื่องทิฐิและอวิชชาเป็นต้นเข้าอีก ซึ่งเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดกว่าและได้ยากกว่าเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพิกษุแก่หลายรูปมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเดิมเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองเป็นผู้มีฐานะดีมั่งคั่งมีทรัพย์มากเป็นสหายกันทําบุญร่วมกันฟังธรรมด้วยกันวันหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสคิดว่า พวกเราแก่แล้วอยู่คลองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราควรจะบวช ด, ดังนี้แล้วขอบวชในสำนักพระศ า, าสดาแต่เนื่องจากเป็นคนแก่บวชแล้วก็เรียนธทมวินัยอะไรไม่ได้ให้คนสร้างศาลาไว้แห่งหนึ่งท้ายอาวาดอยู่ด้วยกันไปบิณฑบาตด้วยกันเวลาไปบิณฑบาตก็ไปที่เรือนแห่งภรยาตนนั่นเองบรรดาภิกษุเหล่านั้นภรยาของภิกษุรูปหนึ่งชื่อ มัทุระปานิกาซึ่งแปลว่ารถมือดีทําครัวอร่อยมากนะนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นถือเอาอาหารที่ตนได้แล้วนั่นแหละไปนั่งสันที่เรือนของนางส่วนนางก็ถวายข้าวและกับที่ตนจัดไว้แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยความเต็มใจเลื่อมใสต่อมานางสิ้นชีวิตลงด้วยอาพาธบางอย่าง พระแก่เหล่านั้นประชุมกันในศาลาของพระแก่ผู้เป็นสหายป่งเล็บอดีตสามีของนางกอดคอกันร้องให้รำพันอยู่ว่าอุบาสิกาผู้มีรถมืออันอร่อยเห็นปานนี้ทำกาละเสียแล้วพวกพิกสุหนุ่มและสามเณรเห็นดังนั้นยังไม่ทราบเรื่องจึงวิ่งเข้าไปถามโดยรอบพระแก่ทั้งหลายจึงเล่าให้ฟังว่าภรยาเก่าของสหายของพวกผมทากาละเสียแล้ว นางเป็นผู้มีประการะมากแก่พวกผมฝีมือปรุงอาหารของนางอร่อยยอดเยี่ยมบัดนี้ผมจะหาใครที่มีประการะเสมอเหมือนนางผู้นั้นเล่าพวกผมร้องให้เพราะเหตุนี้พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาแล้วตัดว่าภิกษุแก่เหล่านั้นเคยลำบากมาแล้วแม้ในการก่อนคือสมัยนั้นนางมัธุระปาณิกาเกิดเป็นกา ภิกษุเหล่านี้ก็เกิดเป็นกาเหมือนกันนางกาเที่ยวไปริมฝั่งมหาสมุทรถูกคลื่นในมหาสมุทรซัดลงไปตายในมหาสมุท้นั่นเองพวกกาตัวผู้ประกันร้องให้ร่ำไรชวนกันเอาจะ ง, งอยปากวิทยน้ำในมหาสมุทรได้รับความยากลําบากเป็นอันมากจนในที่สุดปลารบ ก, กันว่าเออก็คางของเราล้าแล้วปากของเราซีดแล้ว พวกเราวิดน้ำต่อไปก็ไม่สาเร็จเพราะห่วงน้ำใหญ่ยังเต็มอยู่อย่างเดิมพระศาสดาทรงนําอดีตนิทานมาเล่าแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออาศัยป่าคือราคะโทสะและโมหะจึงมีความทุกข์เห็นป่านนี้เธอควรจะตัดป่าเสียจากเป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าวนังฉิน ท่าะมาลุกขังเป็นอาธิมีรนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุแก่เหล่านั้นได้บรรลุโสดาปติพนเจ็ดตัดความรักของตนพระพุทธภาสิทธอุดชินทะสินเนหมัตตโนโกมุทังสารธิกังวะปานินา สันติมัคคเนวะพรุหยะนิพพานังสุขเตนะเถสิตังแปลว่าจงตัดหรือถอนความย่อหยีของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวนในศาสตร์การด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบเพราะพระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วอธิบายว่าจงตัดความสเสน่หาหรือความรัก ในตนหรือของตนหรือจงตัดความรักตนตามพยะจันชนะแปลว่าความเสีเนหาของตนแต่โดยความจะตีความว่าตัดความเย่อใหญ่ในตนก็ได้ตัดความรักความใคร่ของตนก็ได้าภาษาอังกฤษฉบับของดร์ทารกิจสนันว่า Cut out the love of self แปลว่าตัดความรักตน เหมือนบุคคลตัดดอกบัวในศาสตร์การศาสตร์การคือฤดูอะไรสับปภาษาอังกฤษใช้คำว่าออตัมหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงส่วนกลุมูทังหรือกลวมดนั้นใช้คำว่าริลี่หรือลิลี่จะตรงกับดอกบัวหรือไม่ยังสงสัยอยู่เห็นรูปลิลี่หรือไลลี่ไม่แน่ใจนะในดิกชันนารีแล้ว ไม่เหมือนดอกบัวฉบับแปลของมหมามกุฏแปลทับสัฟาโกมุดปัญหาอีกอันหนึ่งคือเหตุไงจึงอุปมาด้วยดอกโกมุดในศาสตร์การเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ออกขอฝากท่านผู้รู้ไว้ช่วยพิจารณ์ด้วยความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักรูปเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตนพระเยซูเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน ว่านัตถิอัตสมังเปมังความรักใดเสมอด้วยความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทําให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าพันธุ์ของตนเจริญคงพันธุ์อยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตนทําให้ตนต้องทําความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจําเป็นในขณะนั้น แต่มองในแง่ทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุ ป, ปาฐานนั้นเป็นอวสัรค์อันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นมิให้มองเห็นตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงสอนให้ตัดความรักตนหรือตัดความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบ ทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางนั้นนําไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุกตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นพระาศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบสัติวิหาริกของภาษาลีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้ บทนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปงามบทในสำนักของพระเถระคือภาษารีบุทภาษารีบุรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอาสุภะกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอคือไม่ถูกกับัตยาสรยเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึงสเดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไร แม้ใจแน่วแน่เป็นเอกขะตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกล่าเปลี่ยนให้ท่านทราบว่ากรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่สองภิกษุรูปนั้นก็ไม่อาจทำผลวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นอีก เมื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ชั่วระยะหนึ่งพิกษุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่าไม่ได้ผลภาษารีบุตรเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรมีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทาเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอ ภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนําจ้ารอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนําเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บําเพ็ญบารมีอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาศยานุษยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัตยาศัยของปวงสัตว์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 เธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสีเดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอเธอไปก่อนเถิดเธอจะได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหัตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเดลมิดดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทําให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบและก้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตัดว่าเอาเถิดภิกษุ จงถือเอาดอกปฐุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังแปลว่าสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปฐุมจากพระหัตถ์ของพระศ า, ศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใ ส, งใสได้ทำตามที่พระศ า, ศาสดารับสั่งนิวรณ์ทั้งหลายระ ง, งับไปในขณะนั้นเองอุปจารฌานเกิดขึ้น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 ทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจักอาจเพื่อยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้โดยลำพังตนเองหรือไม่หนอะทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดําเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วแลดูดอกปทุมเห็นอนิจจลักษณะว่า ทำไมนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาถินนกสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงําอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาถินนกสังขารคือสังขารที่มีใจครองเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้วทุกลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุจไฟติดทั่วแล้วและดุจซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอ ขณะนั้นพวกเด็กลงสุสหะแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอ น, นิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุ ป, ปาทินกะสังขารอย่างนี้ทาไมเล่าจะไม่กระทบอุ ป, ปาทินกะสังขารเล่า พระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธ ก, กุฎีเปล่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญเชลีลำดับนั้นพระศาสดากําหนดอัยารัยของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เป็นอาธิมีในยะรังพันนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นบรรลุอรหัตผลอยังธรรมะกะถาสาทายสมันเตหิสันลกเกตาปาตี คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเข้ามาอีกไม่มากก็น้อยเนะเาะทำให้ได้ข้อคิดอยู่เยอะเหมือนกันท้งแรงเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาท้งรู้เรื่องของกรรมเนี่ยกรรมที่หน่ สังเวชน่ากลัวด้วยเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆแน้อยนี่ยชวนให้คิดกรรมที่เป็นกรรมดีเห็หมเหมือนภิกษุพระธรรมมะกตะิเนี่ยสมนธรรมบำเพ็ญมาทั้งสองหมื่นปีเนี่ยมาพลาดนิดเดียวท่านน่ะตกนรกเป็นเปรตชัโอ้โห น, น่ากลั ว, วเนี่ย ท่านถึงบอกว่าอย่าประมาทกรรมว่าเล็กน้อยเนี่ยเมื่อมันให้ผลมันมาอย่างเอาก่อนเนี่ยความดีทํเอาไว้มันมาไม่ทันเนมันเป็นกรรมหนักเนี่ยเรียกว่าการยุแย่การยุยงให้แตกกันเนี่ยนี่ต้องเอาตันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยแหละที่มันหนักก็คือว่าท่านไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันเลยมีความรักใคร่ ก็มเกลียวกันเหมือนพี่น้องออกมาจากท้องเดียวกันอะอย่างนั้นแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นภิกษุด้วยเนี่ยนี่บางทีความอิจฉาริษยาเนี่ยมันบังบังตาทำให้มองไม่เห็นเนี่ยหรือความที่มีกิเลสตัวนี้เนี่ยมันทำให้ลืมทมที่ตนเองเคยได้กวางเพลนมาน ว่สาสัมผธรรมต่างๆนี้พอกิเลสตอนนี้มีกำลังมามันลืมมดเลยเนี่ยเตัวลาบยศสรรเสริญมันเข้ามาเลยมันนึกได้ที่พระเดจจาแล้วลาบสการะและเสียงเย็น ย, ยอเป็นอันตรายทารุนแสบเผ็ดยาบคายต่อการบรรลุนิพพานคือสัมพันธ์กับเรื่องนี้ทันทีเลยเนี่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเนี่ย คนดีๆนี่ถูกอยู่แย่ได้นะน ะ, น, ะน่าสงสารเหมือนกันเนา ะ, นะลมปากไม่ธรรมดานปากนี่เป็นอาวุธได้เหมือนพระเจ้จาวดูภาษาสดาเนาะ <c oughs> ลินคนเหมือนกับดาบเลย ะ, นะ <c oughs> สามารถเชือนคนได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีรอยแผลนะเฉือนโดยไม่มีรอยแผลแต่เจ็บหรือขาดสะบั้นได้เหมือนกันเนี่ย ก็มีคำคมๆดีเหมือนกันเนี่ยนลิ้นก็คือนี่แหละคำพูดเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาในมักส์วนทางที่ถูกในสัมมาวาจ่าถ้าตั้งอยู่ในสัมมาวจาก็ปลอดภัยปลอดภัยในกรรมที่จะเกิดขึ้นนี่นะูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยากพูดเพอเจอต่างๆ สํารวมตนก็จะเป็นภูเวนจากโทษภัยที่จะเกิดขึ้นดันโุตาหอนในธรรมบทนี้เนี่ลงอเวจีด้วยโอ้แล้วเศษกรรมนะที่มาเป็นเปรตเ น, น่เป็นเปรตที่พระมหาโมคลานะท่านมองเห็นเนี่ยมันก็ประหลาดประหลาดดีเนาะ อันนี้ท่านพูดไว้นะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บางทีคนเจ้าปัญญาพูดอะไรเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่นะนสิ่งที่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เยอะแยะแล้วในโลก น, น, นี้แม้สิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปแต่เราไปเห็นอ่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็ยังพูดได้แค่แค่นี้เองดฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เห็ น, นท่านจึงไม่ให้ปฏิเสธ สิ่งที่เราไม่รู้ก็อย่าปฏิเสธไม่เห็นก็อย่าปฏิเสธเนะี่ยเพราะที่เรารู้มันนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ที่ไม่รู้นี่มันโอมันมากมากมายกาย ก, า ก, กนะองเนี่ยแค่แตมาไม่เคยอยู่ทะเลนะเรล่าความโง่ให้ฟังอยู่แต่ชนบทบ้านนอกอยู่อีสานไม่เคยเห็นทะเลเลยเนะี่ยตาบปบอกว่าทะเลน้องใหญ่มันเป็นยังไงน้องใหญ่ๆเขาเรียกว่าน้องน้องใหญ่ทะเล จนกระทั่งว่าได้มาเห็นพอมาเห็นก็เป็นความอัศจรรย์เหมือนกันนะจริงๆแล้วก็กล่าวไว้ความอัศจรรย์ของทะเลหรือความไม่ไว้ใจของทะเลก็กล่าวไว้เยอะเยอะหรอกในพระไตรปิฎกท่าอ่านนะพอมาดูสัตว์ทะเลที่เขาเอาขึ้นมานะเขาลากอวนไม่ใช่หรอลากอวนขึ้นมาลากอวนนี่ก็โอ้โหทําลายสัตว์เยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาใช้อวนถี่นะ วนทีมันก็เลยเอาทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยขึ้นมาที่เขาไม่ต้องการกับที่เขาต้องการนะโอ้โหที่เขาไม่ต้องการมันเยอะมากเลยต้องตายทิ้งนะเ่ทั้งกุ้งหอยปูปลาเนะี่ยเอามากองไว้ริมหาดทรายก็เดินไปทบบาเดินมาก็มานั่งพิจารณาดูเนะี่มาเกียวดูโอ้ยสัตว์แปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นอยู่ในน้ำมันเยอะมากเลยนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีนะนมันเป็นไปได้ยังไงนะ น, นี่ก็เลยนึกถึงคำที่พระเจาธ่นว่าอาจินไตใช่ไของที่ไม่ควรคิดสี่อย่างนี่ก็มีข้อหนึ่งเรื่องกรร ม, มวิบากกรร ม, มวิบากนี่โอ้สลับซับซ้อนมากเลยนี่เรื่องกรรมนี่ถึงว่ามันปฏิเสธไม่ได้เมันเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกั น, นเดี๋ยวนี้มันยิ่งเห็นอะไรแปลกๆเพราะว่าสื่อมันเยอะใช่หมมันเร็ว มันเห็นทั่วทุกมุมโลกเนะี่ยเราจะเห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะแม้มนุษย์เองที่แต่ก่อนเห็นแต่ท่านวาดภาพเรื่องนรกเรื่องสวรรคนะ์เนี่ยสัตว์นร ก, กพวกเปรตพวกกสุลกายต่างๆแล้วก็เขียนว่าบอกไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้เนะี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีนะมันมีนะี่แม้แต่มาเกิดกับคนมันก็ยังพิกลพิการนี่ครึ่งคนครึ่งสัตว์ก็มีเนละ เคยไปดูที่โรงพยาบาลไหนไหมล่ะเป็นห้องกายภาพนี่นี่มันสัตว์ครึ่งคนเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดออกมามันตายอยู่ในท้องก่อนเขาเผาออกมาทำให้คิดถึงกรรมวิบากตัวนี้โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันน่าคิดมากเลยถือว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเนี่ยพระอาจารย์ไม่อยากประมาทเนี่ยสิ่งนี้เราคิดไม่ออกแล้คิดแล้วก็หัวแตกตายเนี่ย มันคิดไปเป็นไปได้ยังไงนีเนมันคิดไปก็ไม่รู้เนาะเนีแม้แต่วิทยาศาสตร์เองเนี่ก็คิดได้ส่วนหนึ่งนะอย่างเป็นส่วนน้อยด้วยแต่ที่เขายังคิดไม่ได้มันมากมายนะมากมายกายกองนะมันเยอะกว่า น, นั้นอีกเราก็ได้แต่สะจัน่นนะเนาะบางทีเดินไปดูใบไม้เอาเห็นใบไม้เดินอยู่ใบไม้เอามันอะไรนี่เห็นไหมมันก็แปลกนี่ ต้นมะนาวก็มีเอามีแข้งมีขาใบก็เป็นตัวมันเป็นใบมะนาวทาไงแล้นเป็นได้ยังไงแล้วมีจิตมีวิญญาณด้วยเนี่ยหรือกิ่งไม้แห้งก็กลายเป็นมแมลงเนี่ยมีขาเดินได้มีหูมีตาแต่เป็นกิ่งไม้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนั่นคือความอัศจรรย์นะความที่กรรมมันแต่งเนี่ยสัตเตกกรรมังวิภัตสติก็จริงอย่างท่านว่านี่อ่า กรรมเป็นผู้แต่งเนี่ยให้เป็นโน่นเป็นนี่ดีเลวต่างกันเนี่ยก็เพราะกรรมนี่เรื่องกรร ม, มวิบากตัวนี้เป็นอจินไต่เนี่ยคิดได้นิดหน่อยเท่านั้นเองขนาดท่านตัดไว้สอนส่วนน้อยเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่อเลยนะบอกว่ากรรมดีกรรมชั่วสอนแค่นี้ก็ยังปฏิเสธบางคนก็ยังดันไปทำไม่ดีทำชั่วอีกเนี่ย พอเห็นชั่วเป็นดีไปอีกนี่นี่ก็คือเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็เลยปฏิเสธกรรมเบอรกรรมมันให้พ้นจริงๆก็แก้ไขไม่ได้เราก็โชคดีได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะเนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยโ้หมันมืดบอดไปนี้แต่มาว่าคงจะเป็นทุกอย่างก็ไม่รู้ที่เราอาัศจรรย์นั้นเป็นได้หมดเนี่ยเพราะอะไรวัะสงสารวต่สงสารมัน หาเงินต้นเงินไปลายไม่เจอเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าโมหะถ้ามันหลงไปแล้วเนี่ยถ้ามันหลงแล้วมันเกิดได้ทุกอย่างบางทีเกิดสัตว์ที่มองไม่เห็นก็อาจจะเกิดได้เหมันกันมันเป็นไปได้หมดบางทีนั่งพียนายมันสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวเห็นไหมหมดตัวนิดเดียวตาลายสายตาเราแทบจะมองไม่เห็นแต่มันก็มีมีจิตมีใจมีแข้งมีขามีหูมีตาเหมือนกันเนี่ยตาเราแทบมองไม่เห็นเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนะี่ยแทนที่จะเป็นตัวใหญ่ๆมองเห็นชัดๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ตัวเล็กนิดเดียวก็มีบางทีสายตามองไม่เห็นเนะี่ยมันอยู่ในอากาศก็มีมองไม่เห็นเลยเนะี่ยนั่นเป็นความอัศจรรย์เห็นไหมเป็นดจินไตที่คิดไปแล้วก็ไม่ไม่เห็นเนะี่ยไม่มียานอย่างรู้อย่างรู้แต่เจ้านะี่ท่านรู้ท่าถึงมาบอกไงอย่าไปคิดเลยนะ <c oughs> เป็นวิสัยของพุท ธ, ธะนยะ เป็นวิสัยของพุทธเจ้านียวิสัยปุถุชนอย่าไปคิดเลยหัวแตกจนว่าถ้าคืนคิดก็ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงจนว่าพยากรไปเลยนะก็จริงเราปวดหัวตายเลยแหลนะเนี่ยไม่ต้องคิดนี่กรรมมันสลับซับซ้อนมีความเชื่อไว้ก็ดีดีกว่าไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อนี่ทาให้ประมาทแล้วทากรรมกรรมในสิ่งที่ไม่ควรทาก็คืออกุศลกรรมน ถ้าเชื่อไว้มันก็ทำกรรมในสิ่งที่ควรกระทำคือกุศ ล, ลกรรมเนะี่ยละส่วนที่เป็นอกุศลเนะี่ยก็รักษาตนไว้ในทางแห่งความดีนะก็ถือว่าโชคดีไงนะถือว่าเราได้ยินได้ฟังธรรมอย่างน้อยเราก็มีบุญนะบุญได้ทำเอาไว้สั่งสมเอาไว้มีอยู่ปณิสัยปัจจัยได้ทำเอาไว้เนะีนะ่ย บางทีคนทำดีไว้แต่ว่าสืบต่อไม่ได้ต้องอาศัยท่านผู้รู้ต่อให้เนี่ยเหมือนพระภิกษุลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยทำแต่สิ่งที่มันละเอียดประณีตใช่ไหมเนี่ยเมื่อไม่รู้อัธยาศัยอย่างขนาดพระสารีบุตรยังไม่รู้อัธยาศัยนะทำไมละเพราะ เป็นพุทธวิสัยเนี่ยเขาสั่งสมมาอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสั่งสมมาอย่างนั้นเนี่ยสาวกไม่สามารถจะช่วยได้ต้องอยู่ในพุทธวิสัยอย่างเดียวแต่คิดว่าเออคนหนุ่มคนน้อยเนี่ยส่วนมากให้กรรมฐานนี่แหละแต่กรรมฐานรวมก็คืออสุภกรรมฐานแต่สำหรับภิกษุใหม่รูปนี้ไม่อย่างนั้นเลยเนี่ยท่านกับธรมก็ไม่เกิดให้ยิ่งขึ้นไปก็ทาไม่ได้เนี่ย แต่พอให้ถูกจริตเท่านั้นแหละเห็นนี่ก็เป็นลูกช่างทองเคยทำทองเคยทำดอกไม้ทำอะไรแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่คนชอบงามนามยอกก่า น, นาบบงแต่ต้องเป็นวิสัยพุทธนะวิสัยของพระเจ้านะถ้าวิสัยเราให้ก็ ก, กิเลสเพิ่มขึ้นดีขึ้นมันไม่ได้ ชอบงามเลยเอางามให้กิเลสเพิ่มก็ดีไม่รู้ตัวไม่ได้เนี่ยต้องเป็นวิสัยพุทธะพระพุทธเจ้านีวิสัยพุทธเจ้าท่านเห็นท่านไม่หยุดอยู่แค่นั้นพอให้จิตใ จ, จเจริญเป็นสมาธิดีแล้วทำอย่างไรน้อจะทําให้เขาเห็นสัจธรรมคือความสิน้นความเสื่อมได้นะนก็ดวัตถยาสัยว่าเขาสามารถที่จะรู้ได้ตนตัเองได้ไหมพราะประกปากฏว่ารู้ไม่ได้เนี่ย เมื่อรู้ไว้ได้ก็เป็นวิสัยของพระเจ้าต้องช่วยต่อไปพระองค์ก็เลยกำหนดดอกบัวที่กำหนดขึ้นมานั่นแหละให้คอยเสื่อมไปเมื่อเสื่อมไปเขาก็ออกจากฌานได้สมาธิเพลินในฌานพอถอนจากฌานว่าจะมาดูดอกบัวสวยๆ ง, งามๆ อ, อีกเอ้ากลายเป็นเหี่ยวเป็นเน่ า, าก็เลยปรงลงสู่พระไตรลักษณ์อันนี้ก็จริงนะที่โบ ร, รณาณอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านสอน การพิจารณาธรำเพื่อวิปัสสนานี่ไม่ใช่เรื่องเข้าฌานเนีนี่เมื่อถอนออกจากฌานนีสมาธิพอประมาณเองออกจากฌานแล้วแต่มีความตั้งมั่นแห่งจิตมายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรให้เข้าใจถ้า อ, ออกจากฌานแล้วมาพิจารณาถึงความสิน้นความเสื่อมเน่ยคือเห็นมันความเปลี่ยนแ ป, ป, ปลงไปก็เลยปร่งลงสู่พระไตรลักษณ์นิจจังทุกขตตาเท่านั้นแหละ ท่านก็เห็นความจริงขึ้นมาเนี่ยก็ได้บรรลุภาราะัมผลเนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นข้อคิดก็คนฟังได้เปรียบนะอ่านไปอ่านไป ฟ, ฟังก็จำได้ไม่หมดได้คนฟังได้จำได้หมดเนี่ยเสียงมันจะหมดแล้วก็ต้องเอาแค่นี้ก่อน